โบเหียวนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งที่รู้ว่าท่านสัพยอแต่ใจก็แสนจับลืมอย่างน้อยมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าสักวันหนึ่งท่านคงจะได้เห็นหนอเช่นคนอื่นบ้างก็คุณนายลำใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกแท้ยังได้นี่นาท่านมีภาษีกว่าคุณนายคนนั้นตั้งแยะแถมยังเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นอีกด้วย กำลังคิดเพลินๆท่านพระครูก็เอ่ยขึ้นว่าเอาละต่อไปนี้อาตมาจะสอนเดินจงกรมระยะที่สองซึ่งเป็นระยะที่ยากที่สุดในบรรดาการเดินหกระยะไหนบัวเหียวลองบอกมาสิว่าเดินจงกรมระยะที่สองมีกี่เนาะ สองนอครับระยะที่สามก่อสามนอลูกศิษย์ตอบเกินคำถามถูกแล้วระยะที่สองให้บริกรรมว่ายกนอเหยียบนอขนาที่ปากว่ายกก็ให้ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆสูงจากพื้นประมาณสามนิ้ว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 จึงย้ายสติมาไว้ที่เท้าซ้ายทำแบบเดียวกันเมื่อเดินจนสุดทางแล้วให้กำหนดกลับท่านเดินให้ดูอีกสามสี่เก้าแล้วจึงบอกคนทั้งสี่มีพระหนึ่งคฤรหัสสามให้ทดลองเดินคนเป็นครูเดินได้โดยไม่ยากนะักแต่คนเป็นพระถึงกับเหงื่อตกคิดจะค้านพระอุปชาว่า ก็นไหนหลวงพ่อว่าให้เดินวันละหนึ่งระยะยังไงละ่ะแล้วทำไมสมคนนี้ถึงเดินวันละสองระยะได้ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจกระนั้นเสียงพระอุปชาก็ยังลอยมาเข้าหูว่าสาคนนี้เดินระยะที่หนึ่งหกชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่หยุดพักก็เลยให้มาเดินระยะที่สองได้ เมื่อเห็นว่าแต่ละคนเดินได้ถูกต้องดีแล้วท่านพระครูจึงสั่งว่าเอาละ่ะกลับไปเดินระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองอย่างละครึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงพยายามใช้เวลาเดินกับนั่งให้เท่าเท่ากันใครปฏิบัติครบสองชั่วโมงแล้วยังไม่ง่วงก็ให้ทำใหม่อีกรอบหนึ่ง จนกว่าจะง่วงเมื่อล้มตัวลงนอนก็ให้เอามือวางบนท้องพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือตอนยุบแล้วก็อย่าลืมตีส่ต้องลุกมาเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้แปดโมงเช้าค่อยมาสอบอารมณ์แต่ถ้าใครมีปัญหา ก็มาที่กุตติอัตมาได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจถ้าหลับอยู่ก็ให้เด็กปลุกได้ท่านพระครูพูดเปิดทางเอาไว้เพราะเห็นหนอบอกว่าคืนนี้พระใหม่จะเจอปัญหาแยกกันไปยังที่พักของตนแล้วครูสามคนก็ลงมือปฏิบัติ ต, ตามที่ท่านเจ้าอาวาสสอนคือเดินหนึ่งชั่วโมง นั่งหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วครูบุญมีกับครูอรุณจึงสวดมนต์ไหว้พระปูเสือกลางมุง้งแล้วก็นอนส่วนครูสริศคิดว่าจะต้องตักตวงความรู้กลับไปบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงปฏิบัติต่ออีกรอบหนึ่งดังนั้นขณะที่ครูน้อยสองคนกำลังหลับอย่างมีความสุขอยู่นั้นคนเป็นครูใหญ่ก็กาลังยกหนอ เหยียบหนออย่างมีความสุขไม่แพ้กันสวดมนต์ทวัดเย็นเสร็จพระโบเหยวตั้งนาฬิกาปลุกไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วจึงเดินจงกรมระยะที่1เดินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเปลี่ยนเป็นระยะที่สองซึ่งท่านไม่ถนัดนักหากก็เดินจนกระทั่งเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้นท่านเดินไปกดปุ่มตั้งใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วกาหนดนั่งสมาธิ อาการพองยุบคล่องตัวขึ้นไม่อึดอัดขัดข้องเหมือนเมื่อตอนเช้าท่านนั่งไปเรื่อยๆกระทั่ง45นาทีผ่านพ้นไปจึงรู้สึกปวดที่ขาทั้งสองข้างแรกๆก็พอทนได้ท่านจึงกำหนดรู้หนอคลันปวดมากเข้าจึงเปลี่ยนเป็นปวดหนอแล้วก็ไม่ใส่ใจกลับไปจับพองยุบต่อ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 จะเดินจะนั่งจนเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องให้เวลามาเป็นตัวกำหนดท่านเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่พักใหญ่ๆจึงเปลี่ยนมาเป็นยกหนอเหยียบหนอระยะที่สองเดินยากท่านก็เลยเดินน้อยหน่อยเสร็จแล้วจึงกำหนดนั่งอยากได้อารมณ์เหมือนเมื่อกี้ เพราะมันสุขสบายดีแท้ๆพิษุหนุ่มไม่รู้ตัวดอกว่ากําลังถูกมารหลอกล่อให้หลงทางเสียแล้วท่านนั่งกําหนดพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆรู้สึกชุ่มชื่นเย็นฉ่าในหัวใจอาการปวดเมื่อยไม่ปรากฏท่านสบายเสียจนไม่ยอมกําหนดสุขหนอเพราะกลัวมันจะหายไปพระบุญเหี่ยวเพลิดเพลินในสุขกระทั่งลืมแม้องค์บริกรรม เมื่อไม่กำหนดพองยุบสติก็เผลอไผลจิตจึงฟุ้งซ่านล่องลอยไปในภาวะนั้นท่านเห็นตัวเองลอยอยู่กลางน้าอากาศมีรัศมีสวยงามแผ่ซ่านออกมาจากกายเสียงไพเราะกระซิบข้างหูว่าท่านสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้วไปสิท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกแห่งหน ถ้าอย่างนั้นฉันอยากไปนรกช่วยพาฉันไปหน่อยท่านพูดโตตอบกับเสียงไพเระนั้นไม่ต้องพาท่านไปเองได้เพียงแค่นึกก็ถึงแล้วยิงหรือเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นฉันนึกอยากไปเมืองนรกและท่านก็รู้สึกว่าตัวเองล่องลอยไปถึงเมืองนรกเห็นย ม, มาบาลกำลังตักน้ำที่กำลังเดือดกรอกปากบิดา ท่านจึงพูดกับโย ม, มาบาลว่าท่านย ม, มาบาลอาตมาจะพาไปเที่ยวเมืองสวรรค์ขอให้ช่วยโยมบิดาของอาตมาขึ้นจากนารกด้วยเถิดคนที่ท่านกําลังเอาน้ําร้อนกรอกปากอยู่นั่นแหละคือโยมบิดาของอาตมาหลวงพี่ที่เคารพนับระสาอร่อยที่จะช่วยโยมบิดาของหลวงพี่ได้หล้วแม้แต่แม่ยายผมผมยังช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้จริงๆพัญญาเขาก็ขอร้องมาบอกให้ช่วยแม่ด้วยนะพี่นะนึกว่าสงสารแก่แม่ใหย่ท่านทำบาปอะไรมาละ่ะแกข้าสัตว์พวกหมูเป็ดไก่หอนข้ามาไหว้เจ้าตอนจุดจินใจคอแกโหดเยี่ยมทารุณดุดร้ายก็ท่านยมาบาลทำไมช่วยไม่ได้เล่า โถหลวงพี่ไอ้ผมก็อยากจะช่วยแต่โจทย์มันมาประท้วงกันเต็มไปหมดทั้งหมูเป็ดไก่หา่านดูสิมันยืนประท้วงอยู่นั่นส่งเสียงร้องระงมเลยพระโบหียวมองออกไปก็เห็นจริงดังย ม, มาบาลว่าสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องเสียงแซ่จับความได้ว่าไม่ได้นาะยย ม, มาบาลช่วยไม่ได้ ยหญ่คนนี้ทำให้พวกฉันทุกทรมานอย่างแสนสาหัสถ้ายมาบาลช่วยมันพวกฉันจะไปฟ้องพยายมราชให้ลงโทษท่านโจทย์คู่เห็นไหมหลวงพี่เห็นระยองว่าผมช่วยไม่ได้จริงๆถ้าผมช่วยโยมบิดาของหลวงพี่เดี๋ยวพวกวัวควายมันก็ไล่ขิดผมตายเท่านั้นก็โยมบิดาของหลวงพี่ฆ่าวัวฆ่าควายไว้เป็นร้อยเป็นพันตัว ถ้าไม่เชื่อผ ม, ผมจะไปเปิดบัญชี<ท>ให้ดูก็ได้ไม่ต้องหอกท่านย ม, มาบาลอาตมาเชื่อท่านพูดกับย ม, มาบาลแล้วจึงหันไปพูดกับยมบิดาว่ายมพ่ออาตมาพยายามช่วยแล้วแต่ย ม, มาบาลเขาไม่ยอมยมพ่ออดทนไปก่อนนะอาตมากํำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดป่ามะม่วงและจะแผ่ส่วนกุศลมาให้ อาตมาขอลาจะไปดูสวรรค์สักหน่อยแล้วท่านก็ล่องลอยออกจากเมืองนรกไปเมืองสวรรค์เยี่ยมเยียนสวรรค์เสียทุกชั้นตั้งแต่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดูสิทิ์นิมมานอรดีประนิมะมิทวสวดีได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาเหาะไปมาอยู่ในอากาศรูปร่างสวยสดงดงาม มีเครื่องประดับทําด้วยเพชรนินจินดาส่องแสงเป็นประกายวูบวาบเมื่อเห็นท่านลอยผ่านหน้าเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นต่างยกมือทําความเคารพท่านทักทายปราศัยอยู่กับพวกเขาจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงลอยกลับมายังกุติเห็นกายเนื้อของท่านกําลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้ว่าร่างที่ล่องลอยอยู่นี้เป็นกายทิพย์จึงลอยไปเข้ากายเนื้อ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 พลันก็นึกถึงที่ท่านพูดอนุญาตไว้เมื่อตอนสามทุ่มเสษ็ จ, สจแสดงว่าท่านจะต้องรู้ว่าสิทธิของท่านจะมาหาในคืนนี้คิดได้ดังนั้นจึงเดินดุมดุมไปยังกุฏิเจ้าอาวาสโดยไม่สะทกสะทานต่อความหนาเวเย็นของอากาศสุนักสามสี่ตัวเห็นคนเดินดุ่มดุมมาในยามวิการเช่นนั้นก็ส่งเสียงเห่ากันโชคขึ้นแล้วพากันวิ่งกรูเข้ามาพระบเหียว จึงต้องส่งเสียงทักทายออกไปสุนักเหล่านั้นพร้อมใจกันหยุดเห่าและวิ่งกลับไปยังที่ที่ตนนอนสมชายสมชายเปิดประตูหน่อยท่านตะโกนเรียกลูกศิษย์วัดเด็กหนุ่มงงเงียลุกขึ้นมาเปิดประตูและจึงถามอย่างไม่พอใจนะักลุงพี่มาทำไมดึกดึกนๆผมกำลังหลับสบายสบายลุงพ่อหลับหรือ ย, ยังแทนคาตอบ สิทธวัดมองขึ้นไปเห็นไฟยังสว่างอยู่จึงตอบว่ายังมัง้งไฟยังเปิดอยู่นี่ขอขึ้นไปพบท่านน่อยได้ไหมให้ผมไปถามท่านดูก่อนปกติท่านไม่อนุ ญ, ญาตให้ใครขึ้นไปข้างบนพูดแล้วก็ขึ้นไปหาท่านพระครูยังไม่ทันพูดอะไรท่านก็พูดขึ้นเสียก่อนว่าพระบรเหียวใช่ไหมบอกให้รออยู่ก่อนประเดี๋ยวฉันจะลงไป แล้วท่านก็ก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือต่อไปอีกสักครู่จากนั้นจึงลงมาข้างล่างมีอะไรหรือท่านทักขึ้นลุงพ่อยังไม่จำวัดอีกหรือครับพระใหม่ถามยังหมู่นี้งานยุ่งมากฉันลืมนอนมาหลายวันแล้วลุงพ่อไม่ง่วงหรือครับ ่ันกำหนดสติอยู่ตลอดเวลามันก็เลยแก้ง่วงได้จำไว้เวลาเธอง่วงมากๆให้ตั้งสติไว้ตรงหน้าผากแล้วกำหนดง่วงเนาะง่วงเนาะรับรองหายง่วงเป็นเปลิดทิ้งพระโบเหียวกำลังจะเอ่ยปากพูดก็พอดีท่านพระครูพูดขึ้นว่านี่เธอรู้ไหม ฉันกำลังเขียนหนังสือคู่มือสอบอารมณ์กรรมฐานเขียนมาได้ร้อยกว่าหน้าแล้วเพื่อว่าฉันตายไปจะได้มีตำราไว้สอบอารมณ์ในการปฏิบัติหนังสือแบบนี้ยังไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนจนเสร็จหรือยังครับยังคงอีกหลายปีนี่ฉันเขียนมาปีกว่าแล้ว เพิ่งได้ร้อยกว่าหน้าเองมันไม่ใช่จะเขียนได้ง่ายๆเอาละ่ะทีนี้เธอมีอะไรก็ว่าไปเสร็จธุระแล้วฉันจะได้กลับไปเขียนหนังสือต่อท่านต้องพูดกันเอาไว้ก่อนเพื่อให้ผู้เป็นสิทธ์รู้ว่าท่านมีงานที่จะต้องทํารออยู่หลวงพ่อครับผมได้เห็นหนอแล้วครับบอกอย่างปิติอ๋อ เร็วถึงขนาดนั้นเทียวหรือแล้วรู้ได้ยังไงว่าได้หรือว่ามีใครมาบอกครับมีเสียงมากระซิบข้างหูผมกระซิบว่ายังไงบอกว่าท่านสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้วครับอ้อท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มพระปบเหียวเลยทำหน้าปั้นยากท่านพระครูยิ้มแบบนี้ทีไร เป็นได้เรื่องทุกทีแล้วเสียงที่เธอได้ยินเป็นเสียงเดียว ก, กันกับที่ได้ยินเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่แน่ๆครับเสียงเมื่อคืนเพราะน่าฟังกว่าแล้วเขาว่ายังไงอีกพระอุปัชาซักเขาบอกให้ผมท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกคน้นทุกแห่งเพียงแต่นึกเท่านั้นก็ไปได้ ผมก็เลยไปเที่ยวเมืองนรกเมืองสวรรค์ที่เมืองนรกผมพบยมพ่อด้วยผมขอร้องย ม, มาบาลให้ช่วยพ่อแต่ท่านบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะแม้แต่แม่ยายของท่านเองท่านก็ยังช่วยไม่ได้เหมือนฉันเปียบเลยฉันก็เคยไปเห็นเมืองนรกมาแล้วก็เจออย่างที่เธอเล่ามานี่และพระบุเหียวยิ้มปัน้นเมื่อท่านพระครู บ, บอกว่า ท่านก็เคยเห็นนรกมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นผมก็สสำเร็จแล้วจริงๆใช่ไหมครับถามอย่างตื่นเต้นใครบอกเธอละโบเฮียวเธอถูกมารมันหลอกเอาหนสิถูกมารหลอกเหมือนกับที่ฉันเคยถูกหลอกมาแล้วคราวนี้พระโบเฮียวถึงกับใจฝ่อแฟบลงไปถามเสียงอ่อยว่า หมาความว่าอย่างไรครับแสดงว่าผมเห็นไม่จริงใช่ไหมครับจริงสิเธอเห็นจริงจรงิแต่สิ่งที่เธอเห็นมันไม่จริงเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะยังไม่เข้าใจครับลุงผอกรุณาขยายความหน่อยเถอะครับผมชักงงคนซื่อตอบซื่อๆคือที่เธอไปเห็นนรกสวรรค์น่ะเธอเห็นจริงๆ เหมือนกับตอนที่ฉันเห็นฉันก็เห็นจริงๆแต่นรกสวรรค์ที่เธอเห็นหรือที่ฉันเห็นนั้นมันไม่จริงเรียกว่าเราสองคนต่างก็ไปเห็นของไม่จริงมาว่างั้นเถอะที่ว่าไม่จริงเพราะมันเป็นภาพลวงตาที่จิตของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเขาเรียกว่าเทวปุตตมานฉันถึงว่า เธอถูกมานหลอกเอาไงล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่านารกสวรรค์ไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมครับมีสิเป็นชาวพุทธจะว่านารกสวรรค์ไม่มีได้ยังไงอีกหน่อยถ้ามีเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกซะจะได้หายสงสัยนั่นอยู่ในตู้นั่นท่านชี้ไปที่ตู้พระไตรปิฎก ซึ่งมีหนังสือเล่มสีน้ำเงินบรรจุอยู่เต็มหลวงพ่อครับในเมื่อนรกสวรรค์มีจริงแล้วทำไมสิ่งที่ผมกับหลวงพ่อเห็นถึงไม่จริงแล้วครับพระใหม่ยังไม่หายสงสัยแทนคำตอบท่านพระครูกลับย้อนถามว่าเธอไม่แปลกใจบ้างหรือบัวเหี่ยวว่าเธอมาปฏิบัติแค่สองวันก็สามารถเห็นนรกสวรรค์ ที่คนอื่นๆเขาปฏิบัติกันมาเป็นสิบๆปีก็ยังไม่เห็นมันแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนนี่ครับคนซื้อเลี่ยงต่อไปอีกทางตอบอย่างนั้นมันก็มีส่วนถูกอยู่เหมือนกันนี่จำไว้นะบัวเหี่ยวอะไรก็ตามที่เธอเห็นตอนนั่งสมาธิเธอสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจริง หรือไม่จริงพิสูจน์อย่างไรครับถามอย่างสนใจง่ายนิดเดียวเมื่อไรที่เธอทิ้งองค์บริกรรมก็แน่ใจได้เลยว่าสิ่งที่เธอเห็นมันเป็นภาพลวงแต่ถ้าเธอเห็นทั้งๆ ท, ที่ยังมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมสิ่งนั้นมันก็จริงพูดง่ายๆก็คือต้องเห็นขณะที่มีสติ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 3อย่างนี้มีระดับไม่เท่ากันการให้ทานถือเป็นความดีขั้นธรรมดาการรักษาศีลเป็นความดีขั้นสูงกว่าทานการบำเพ็ญภาวนาเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมถือเป็นความดีขั้นสูงสุดเมื่อไหรที่เราทำความดีเมื่อนั้นจะต้องพจนมาน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 หรือนั่งเพลินๆติดสุขก็เป็นโมหะเทวปุตตมานก็เช่นเห็นเทพพบุตรเทพทิดาเห็นนรกสวรรค์อย่างที่เธอเผชิญมาแล้วอภิสังขารมานก็ได้แก่ความคิดปรุงแต่งอยากเห็นโน่นเห็นนี่อยากได้เห็นหนออยากสำเร็จเป็นพระอระหันต์ส่วนอันสุดท้ายก็คือ มัจจุมานอันนี้ร้ายที่สุดเพราะถ้าตายเสียแล้วโอกาสที่จะมันนั่งพองหนอยุบหนอก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเธอจะต้องรู้เท่าทันมารเหล่านี้ขอให้จำไว้ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาชนะมารให้ได้ พระบวชใหม่เดินกลับกุฏิอย่างเงาหงอยแอบรำพึงในใจว่าไม่น่าเลยตูถูกมานหลอกเข้าจนได้